เจริญพรท่านผู้มีจิตเมตตากรุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่หนึ่งธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบ้าเป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาให้อาหารแก่จิตใจ ด้วยการทำบุญทำทานรักษาศีลฟังเทศนฟังธรรมพอรักใจก็ต้องการอาหารเหมือนกับร่างกายถ้าใจขาดอาหารก็เหมือนกับร่างกายขาดอาหารใจจะไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มไม่มีความพอมีแต่ความหิวความอยาก แต่ถ้าใจได้รับอาหารคือบุญใจก็จะมีความสุดมีความสบายอาหารของใจก็เป็นเหมือนกับอาหารร่างกายมีหลากหลายชนิดด้วยกันอาหารหลักก็มีอาหารเสริมก็มีอาหารหลักของใจก็คือการทำบุญให้ทาน การรักษาศีลการภาวนาอาหารหลักของร่างกายก็คือข้าวกับข้าวผักผ ล, ลไม้ส่วนอาหารเสริมหรืออาหารสำรองก็พวกขนมนมเนยเครื่องดื่มต่างๆบุญที่เป็นบุญสำรองก็เช่นบุญอุทิศบุญที่ เกิจากการอนุโมทนาบุญเป็นต้นนี่คือบุญที่มีหลากหลายด้วยกันที่เราควรจะทำตามความเหมาะสมเหมือนกับการรับประทานอาหารเราก็รับประทานไปตามความเหมาะสมแต่โดยหลักเราจะรับประทานอาหารหลักเสมอคือข้าวกับข้าว ผักผลไม้บุญหลักของเราเราก็ต้องทำอย่างสม่าเสมอก็คือการทำทานการรักษาศีลและการภาวนาส่วนบุญเสริมก็คือบุญอุทิศเราก็อุทิศบุญไปเวลาที่เราได้ได้ทำบุญอนุโมทนาบุญเราก็ร่วมแสดงความยินดี ต่อผู้ที่ทําบุญเนื้อบุญที่เกิดจากการรับใช้ผู้อื่นบุญที่เกิดจากการเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคารวะบุญที่เกิดจากการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นบุญการให้ธรรมะนี้ก็ให้ได้สองวิธีด้วยกันให้ ด้วยธรรมะที่เรามีอยู่ภายในตัวเราเองเออให้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเช่นช่วยกันพิมพ์หนังสือแจกอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการทำบุญทำแล้วจะมีความสุขใจมีความอิ่มใจแต่บุญที่เราต้องทำอย่างต่อเนื่องทุกวันก็คือการทำทาน การรักษาศีลการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมเพราะเป็นบุญที่สำคัญที่จะทำให้จิตใจของเราจเจริญเติบโตให้เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ให้เป็นมหาเศรษฐีเป็นเป็นผู้ที่หลุดพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนทั้งหลาย บุญที่สำคัญที่สุดก็คือการฟังธรรมเพราะถ้าเราไม่ได้ฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าเราต้องทำบุญชนิดไหนบ้างทำมากน้อยเพียงไรแต่ถ้าเราได้ฟังธรรมแล้วเราก็จะได้รู้เหมือนกับก่อนที่เราจะรับประทานยาเราก็ต้องดู ฉลาดที่กํากับมากับยาก่อนว่าควรจะรับประทานมากน้อยเพียงไรรับประทานตอนไหนก่อนอาหารหรือหลังอาหารนี่ถ้ารับประทานโดยที่ไม่ดูฉลาดยาก็อาจจะรับประทานยาผิดหน้าผิดขนาดแทนที่จะเป็นคุณก็กลับจะเป็นโทษแก่ร่างกายได้ การทำบุญก็เช่นเดียวกันก็จำเป็นที่จะต้องอ่านฉลา ก, ก่อน mm. คือต้องฟังเทศฟังธรรมหรืออ่านหนังสือธรรมะาก่อน mm. ถึงจะทำบุญได้อย่างถูกต้องและได้ประโยชน์ mm. เช่นการทำทานนี้ทำทานเพื่อให้ละความโลภให้ละความตัณหา ให้ละความหวงให้เกิดความเมตตากรุณานี่คือเป้าหมายของการให้ทานให้สิ่งที่เราให้ก็มีหลายประการเช่นวัตถุข้าวของเงินทองเรียกว่าวัตถุทานถ้าให้วิชาความรู้ก็เรียกว่าวิทยาทานถ้าให้ธรรมะ ก็เรียกว่าธรรมทานถ้าให้ความถ้าให้อภัยก็เรียกว่าอาภัยทานนี่คือทานที่เราควรจะให้ตามกําลังของเราตามแต่กรณีตามแต่ความเหมาะสมของผู้รับผู้รับบางคนอาจจะต้องการวัตถุทานก็ให้วัตถุทานไป ไม่ใช่ว่าเขาต้องการวัตถุทานเขาอดอยากขาดแคลนก็ไปให้วิทยาทานแทนให้วิชาวความรู้ตอนนี้เขายังไม่มีกำลังที่จะศึกษาเขาต้องมีอาหารรับประทานก่อนต้องให้อาหารเขาก่อนเมื่อเขามีกำลังวังชาแล้วค่อยสอนให้เขารู้จักวิธีทำมาหากิน มีสัมมาชีพนี่คือการให้เราต้องให้ตามความเหมาะสมของผู้รับไม่ใช่เห็นใครก็จะให้ธรรมะไปเพราะได้ยินได้ฟังมาว่าการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงการให้ธรรมะก็ต้องให้กับบุคคลที่มีศรัทธามีความต้องการ ถ้าให้ทรรม้แก่คนที่เขาไม่ต้องการเขาก็จะไม่เอาไปศึกษาไม่เอาไปปฏิบัติก็จะไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนเทน้ำใส่หลังสุนัขสุนัขมันก็จะพอได้น้ำมันก็จะสะบัดทิ้งไปหมดเพราะมันไม่ต้องการน้ำสุนัขต้องการกระดูกต้องการอาหาร ดังนั้นเราเวลาจะทำทานก็ควรพิจารณาถึงบุคคลที่รับด้วยว่าควรจะให้อะไรให้เหมาะสมเพื่อที่จะได้ไม่เกิดโทษนี่คือเรื่องของบุคคลและของที่เราจะให้ส่วนใจของเรานี้เราต้องให้เพื่อด้วยความเมตตากรุณา คือต้องการจะสร้างมิตรไม่ต้องการสร้างศัตรูต้องการสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากแต่ร้อนแล้วก็ทำเพื่อละความตนดีความหวงในทรัพสมบัติเข้าของเงินทองถ้ามีเงินทองแล้วหวก็จะไม่ได้ใช้ก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากทรัพสมบัติเข้าของเงินทองทรัพสมบัตินี้ถ้าใช้ให ให้เป็นก็จะเป็นประโยชน์เป็นประโยชน์ทั้งทางร่างกายและเป็นประโยชน์ทั้งทางจิตใจทางร่างกายก็คือหาปัจจัยสี่ที่จำเป็นต่อการดำรงชีพเช่นอาหารเครื่ อ, อ, าอยารักษาโรคที่อยู่อาศาัยเพราะถ้าร่างกายขาดปัดจจัยสี่ก็จะอยู่ไม่ได้ หรือถ้าอยู่ก็อยู่อย่างทุกข์ยากลำบากเจ็บไข้ได้ปวยการมิทรัพ์ก็ต้องอย่าตหนหีอย่าหงควรจะใช้ดูแลให้พอกับความต้องการของร่างกายแต่ในขณนะดเดียวกันก็ไม่ควรใช้เกินความจำเป็นเพราะว่าแทนที่จะเป็นคุณก็จะเป็นโทษได้ ถ้าใช้ตามความโลกตามความหลงเช่นจะต้องใช้ข้าวของที่มีราคาแพงๆถึงจะถึงจะพอใจความจริงอาหารราคาแพงหรือราคาถูกมันก็มาจากดินน้ำลงไฟเหมือนกันมาจากดินมาจากไรนามาจากตลาด ที่มันเกิดเป็นราคาแพงขึ้นมาก็เพราะว่ามีการปรุงแต่งหรือมีการเอามาจำหน่ายในลักษณะที่แตกต่างกันไปเช่นรับประทานอาหารตามข้างถนนราคาก็ไม่แพงแต่ถ้ารับประทานอาหารตามพัตตะการหรูหราหรือตามโรงแรมราคาของอาหารก็จะแพงขึ้นมา แต่ประโยชน์ที่ได้รับจากอาหารก็เท่ากันคือรับประทานแล้วก็ทำให้ร่างกายอยู่ได้ดับความหิวของร่างกายได้ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะเสียเงินทองไปกับการรับประทานอาหารที่มีราคาแพงๆนอกจากนานๆที่มีมีกรณีสำคัญเช่น วันเกิดวันแต่งงานหรืองานอะไรที่สำคัญจำเป็นที่จะต้องมีการเลี้ยงฉลองกันก็ทำไปตามความเหมาะสมแต่ถ้าตามปกติแล้วเราก็รับประทานอาหารธรรมดาธรรมดานี่แหละเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียเงินทองมากเพราะถ้าเราเสียเงินทองมากเราก็จะต้องเสียเวลากับการหาเงินทองมาจับจ่ายใช้สอย อย่าทำให้เราไม่มีเวลาไปทำงานที่สำคัญกว่าคืองานภาวนางานรักษาศีลดังนั้นขอให้เรารู้จักใช้เงินให้ให้เกิดคุณเกิดประโยชน์อย่าให้เกิดโทษแล้วก็ใช้เพื่อละความตนีอย่าหวงถ้ามีเหตุจำเป็นจะต้องใช้ก็ใช้ไปถ้ามีใครเดือดรอ้อน ช่วยเหลือเขาได้ก็ควรที่จะช่วยเหลือเขาไปทำอย่างนี้แล้วเราจะได้ตัดความตนีและตัดความโลภด้วยทำทานทำบุญอย่าทำเพื่อให้ร่ารวยมากขึ้นไปเพราะว่าอันนี้จะเป็นเป็นโทษมากกว่าเป็นคุณเพราะว่าถ้ามีทรัพย์มากแล้วก็จะต้อง เสียเวลากับการมาดูแลรักษาทรัพย์สมบัติก็จะไม่มีเวลาที่จะไปบำเพ็ญภาวนาได้และอาจจะเสียเวลากับการใช้เงินที่เป็นโทษเช่นไปซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของที่มีราคาแพงๆหรือไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆทาทานอย่างนี้ก็จะ ไม่เป็นประโยชน์เราต้องการทำทางเพื่อละความโลภอยากได้เงินทองมากๆเราต้องการเงินทองพอวดมีไว้สำหรับดูแลอัตภาพร่างกายดูแลความจำเป็นที่จะต้องมีเท่านั้นก็พอแล้วถ้ามีมากไปกว่า น, นั้นก็อยากเก็บเอาไว้ถ้าจะเก็บเอาไว้ก็อยากไปยึดอย่ากไปติดอยากไปหวง เก็บไว้เผื่อไว้สัมลองไว้ก็ได้แต่ถ้าเอาไปทําบุญก็จะได้บุญถ้าเก็บเอาไว้ก็จะไม่ได้บุญตายไปก็จะไม่มีบุญติดตัวไปตายไปก็จะไม่ไปเกิดแล้วมีฐานะที่ดีการทําบุญนี้แหละที่จะทําให้เราร่ำรวยแต่ไม่ได้ให้รวยในชาตินี้ให้รวยในชาติต่อไปถ้าเรายังต้องกลับมาเกิดใหม่ เราก็จะไม่เดือดร้อนกับเรื่องทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทอง <c oughs> แต่ถ้าเราทำเพื่ออยากให้ล่มให้รวยอย่างวันนี้เราทำบุญเพราะว่าวันนี้เป็นวันออกลอตเตอรี่ทาแล้วขอให้เราได้ถูกลอตเตอรี่ในตอนเย็นอันนี้จะไม่เป็นบุญเพราะว่าจะเป็นเหมือนกับการซื้อขาย เราไปซื้อของแล้วเราก็ได้ของกลับมาเราเสียเงินไปเราได้ก็เราก็ได้ของกลับมาถ้าเราทำบุญเพื่อที่จะได้บุญกลับมาเราก็ทำไปเสียเวลาเปล่าๆเพราะว่าเป้าหมายของการทำบุญเพื่อลดจำนวนเงินทองที่เราไ่อยู่นี้ให้มันน้อยลงไปให้เหลือเท่าที่จำเป็นเท่านั้น ไม่ใช่ต้องการให้มีเงินทองมาเพิ่มมากขึ้นไปเพราะถ้ามีเงินทองเพิ่มมากขึ้นก็จะเกิดความโลภอยากได้เพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็จะเกิดความหวงเกิดความตันนีเพิ่มมากขึ้นไปแล้วก็จะเอาเงินทองไปใช้ในทางที่ไม่ถูกใช้เงินทองที่เป็นโทษคือใช้ตามความต้องการของกิเลสตัณหา แล้วเราก็จะจะไม่มีเวลามารักษาศีลมาภาวนาเพื่อที่จะพัฒนาจิตใจของเราให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปสูงขึ้นไปกว่าที่เราเป็นอยู่จนถึงขั้นสูงสุดเราต้องก้าวเข้าสู่บุญขั้นที่สองและขั้นที่สารตามลำดับแต่ถ้าเราได้ทำบุญ ด้วยความเมตตากรุณาด้วยความไม่โลกด้วยความไม่ตเนี่ใจของเราก็จะมีความเมตตาจะไม่ชอบเบียดเบียนผู้อื่นคนที่ทําบุญนี้ถ้าทําบุญเพื่อบุญจริงๆใจจะไม่อยากจะทําบาปเมื่อไม่ทําบาป ก, ก็จะรักษาศีลได้เมื่อรักษาศีลได้ก็จะทําให้ สามารถภาวนาได้ปฏิบัติธรรมได้เพราะจะมีเวลาไปอยู่วัดจะมีเวลารักษาศีลแปดได้แต่ถ้ายังมัวติดอยู่กับการหาเงินอยากได้เงินได้ทองก็จะไม่มีเวลาและจะไม่สามารถรักษาศีลได้ถ้าใจไม่มีศีลใจก็จะว้าวุ่นขุ่นมัว จะวิตกกังวลหวาดกลัวกับวิบากกรรมที่ได้ทำเอาไว้ก็จะไม่กล้าไปอยู่ตามสถานที่เปลี่ยวๆเช่นตามวัดตามวาเพราะว่าวัดวาที่มีการปฏิบัตินี้จะให้อยู่กันตามลำพังอยู่กันเดี่ยวๆเพื่อที่จะได้เกิดความวิเว้ขึ้นมาถ้า สภาพรอบแวดล้อมไม่สงบไม่วิเวกการจะทำใจให้สงบได้นี้จะทำไปได้ยากแต่ถ้าสภาพแวดล้อมสงบสนัดวิเวกวังเวงเวลาทำใจให้สงบนี้จะสงบได้อย่างรวดเร็วดังนั้นถ้าเราต้องการที่จะพัฒนาจิตใจของเรา ให้สูงขึ้นไปตามลาดับจนถึงขั้นสูงสุดเราก็ต้องทำทานเพื่อให้เกิดความเมตตาการุณาทำทานเพื่อลกความโลภลกความตนิแล้วเราจะได้มีเวลามาอยู่วัดกันมาถือศีลแปลแล้วก็มาเจริญสติเพื่อที่จะทำให้ใจของเราสงบ ถ้าเรามีสติการนั่งสมาธินี้จะเกิดผลขึ้นมาอย่างง่ายดายแต่ถ้าเราไม่มีสติคือใจของเราลอยไปลอยมาไม่อยู่กับเนื้อกับตัวไม่อยู่กับปัจจุบันคิดเรื่องในอดีตบ้างคิดเรื่องในอนาคตบ้างถ้าเป็นอย่างนี้เวลานั่งสมาธิใจก็จะไม่สงบเพราะจะไม่สามารถอยู่กับ การบริกรรมพุทโธพุทโธได้อย่างต่อเนื่องหรือไม่สามารถดูลมหายใจเข้าออกได้อย่างต่อเนื่องก็จะมัวไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้นั่งไปก็ไม่เกิดผลขึ้นมาไม่เกิดผลแล้วก็จะเกิดความท้อแท้เกิดความเสือส่อมศรทัทธาก็จะกลับไปหาความสุขจากการหางเงินหาทอง ความสุขจากเงินการใช้เงินใช้ทองและก็อาจจะต้องไปทำบาปทากรรมเวลาที่อยากจะได้เงินทองมามากๆหรือเวลาต้องการอย่างรวดเร็วก็อาจจะต้องโกหกหลอกลวงหรือช่อโกเพื่อให้ได้เงินทองมาอย่างง่ายดายและรวดเร็ ว, รวทำอย่างนี้จิตใจแทนที่จะเจริญสูงขึ้นก็จะต่ำลงไป ก็จะเสื่อมลงไปเป็นมนุษย์บ้างเป็นเปรตบ้างเป็นนรกบ้างแต่ถ้าเราทำบุญให้ทานแล้วเราก็มารักษาศีลแล้วก็หมั่นเจริญสติอยู่ตลอดเวลาการเจริญสตินี้สามารถทําได้ทุกแห่งทุกผลทุกเวลาไม่ว่าจะอยู่ที่วัดหรืออยู่ที่ไหนก็ตามเพราะสตินี้อยู่ที่ใจ ขอให้เราล้ำเลือกถึงพระพุทธเจ้าทุกเวลานาทีเช่นบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆถ้าเราไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ความคิดเราก็บริกรรมพุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆอย่างนี้ก็เรียกว่ามีสติแล้วหรือถ้าเราไม่อยากจะบริกรรมพุทธโธเราก็ใช้การเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทำของร่างกายแทนก็ได้ เช่นร่างกายกาลังทำอะไรอยู่ก็ขอให้เฝ้าดูการกระทาของร่างกายอย่าให้ใจไปอยู่ที่อื่นอย่าไปคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้ให้คิดอยู่กับเรื่องที่กำลังทำอยู่เช่นกำลังรับประทานอาหารก็ให้อยู่กับการรับประทานอาหารเช่นให้รู้ว่ากำลังตัดข้าวเข้าปากกำลังเคี้ยวกำลังกลืนให้รู้ทุกขั้นตอนของการรับประทานอาหาร อย่าไปคุยกันถ้าคุยกันแล้วจะไม่มีสติจะไม่ได้อยู่กับการกระทาการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลานั่งสมาธิดูลมก็จะไม่ดูลมอย่างเดียวอย่าไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อแต่ถ้าเราเฝ้าดูการเคลื่อนไหวการกระทาของร่างกายอย่างเดียวไม่คิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้พอเวลาเรานั่งดูลมหายใจเข้าออก มันก็จะดูลมหายใจอย่างเดียวจะไม่คิดเรื่องนั้นคือคิดเรื่องนี้ถ้าอยู่อยู่ดูลมได้อย่างต่อเนื่องไม่นาน5้านาทีสิบนาทีใจก็จะเข้าสู่ความสงบได้พอเข้าสู่ความสงบแล้วก็จะพบกับความสุขที่มหัศจรรย์ความสุขที่ยิ่งใหญ่ความสุขที่ชนะความสุขทั้งหลายถ้าเรามีความสุขอย่างนี้แล้ว เราก็จะสามารถตัดกิเลสตัณหาได้เวลาเรากิเลสมาชวนให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเราก็จะปฏิเสธไปได้บอกว่าไปทําไมไปให้โง่ความสุขที่ยิ่งใหญ่ที่ดีกว่ามีอยู่ในใจนี้แล้วไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้ที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบ ข, ของใจนี้ เราก็จะสามารถตัดกิเลสตัณหาความอยากต่างๆไปได้หมดเลยพอไม่มีกิเลสตัณหาแล้วก็จะไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเลยความทุกข์ในใจของเรานี้เกิดจากกิเลสเกิดจากตัณหาเกิดจากความอยากต่างๆนี่เองเช่นถ้าอยากจะไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวก็จะเกิดความหงุดหงิดลาคาญใจ เกิดความเศร้าส้อยหน่อยเหงาเกิดความว้าเหวยอยากจะอยู่ใกล้กับคนที่เรารักแต่ไม่สามารถอยู่ได้เราก็จะเกิดความเศร้าส้อยหน่อยเหงาขึ้นมาแต่ถ้าเรามีความสงบมีความสุขที่ยิ่งใหญ่กว่าอยู่ภายในใจแล้วเราจะไม่อยากจะอยู่กับใครอยู่คนเดียวนี้แสนจะสบายอยู่กับคนอื่นแม้จะได้ความสุขบ้าง แต่ก็เป็นความสุข เ, เล็กๆน้อยๆไม่คุ้มกับความทุกข์ยที่จะเกิดขึ้นเวลาที่เกิดความเห็นไม่ตรงกันเวลาที่เกิดการทะเลาะเอกแวงกันนีเกิดขึ้นได้เสมอเพราะคนเรานั้นมีอารมณ์ที่เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่เรื่อยๆเวลามีอารมณ์ดีก็พูดดีแต่เวลาเกิดมีอารมณ์ไม่ดีขึ้นมาก็จะพูดไม่ดี ทำไม่ดีคนที่อยู่ใกล้ด้วยก็อาจจะต้องเสีย อ, อกเสียใจดังนั้นถ้าเรามีความสงบแล้วเราจะไม่อยากได้อะไรเพราะเราจะเห็นว่ามันไม่คุ้มกับทุกข์ที่เราจะต้องรับอยู่คนเดียวมีความสุขที่ยิ่งใหญ่แล้วแล้วก็ไม่มีความทุกข์มาให้แบบมาให้ต้องมาเดือดร้อนด้วยนี่คือ ผลที่เราจะได้รับจากการทำบุญหลักคือทำทานรักษาศีลรักษาศีลห้าก่อนแล้วก็หัดรักษาศีลแปดในวันพระพอรักษาศีลแปในวันพระได้ต่อไปก็เริ่มรักษาเพิ่มมากขึ้นไปจากอาทิตย์ละวันเป็นสามวันเป็นห้าวันจนไปถึงเจวันเราก็จะสามารถรักษาได้ทุกวัน ถ้าเราภาวนาไปด้วยถ้าเราจะเริญสติอย่างต่อเนื่องถ้าเรามีสติแล้วเราจะสามารถควบคุมกิเลสได้ในระดับหนึ่งกิเลสมันจะให้เราไม่ทำผิดจะทาให้เราทำผิดศีลแปลเราถ้ามีสติเราก็จะพอยับยั้งได้พอจะคิดอยากจะไปร่วมหลับนอนกับคู่รักคู่ครองก็ใช้พุทโธพุทโธเข้าไปสกัดไว้ ไม่นานความอยากที่จะไปร่วมหลับนอนกับคู่ครองมันก็จะหายไปแล้วเราก็จะรักษาสีแปดได้เพราะใจสงบใจมีความสุขไม่ต้องไปหาความสุขจากการหลับนอนกับคนนั่นคนนี้หรือไปหาความสุขจากการรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วหรือจากการไปหาความสุขจากการดูการฟังสิ่งบันเทิงทั้งหลาย หรือจากการหลับนอนบนฟูกหนหนาๆถ้าเรามีสติสามารถจเจริญพุทธโธบริกรรมพุทธโธได้อย่างต่อเนื่องเราจะสามารถาหยุดกิเลสที่จะคอยฉุดคอยลากให้เราไปหาความสุขต่างๆได้แต่จะไม่สู้การทำใจให้สงบไม่ได้เพราะถ้าเราทำใจให้สงบได้แล้ว เราจะมีความสุขเราไม่ต้องบริกรรมพุทโธเวลาเกิดความอยากจะให้ไปหาความสุขจากที่อื่นเราก็จะไม่อยากไปเพราะอยู่เฉยๆมีความสุขแล้วไปทำไมปัญหาของพวกเราตอนนี้ก็คือพวกเราอยู่ไม่เป็นสุขกันไม่มีความสุขในตัวของเราเราจึงต้องออกไปหาความสุขข้างนอก หาความสุขจากลาบยศสรรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลิภัณฑชนิดต่างๆเราจึงต้องดินน้นรนต้องออกไปต่อสู้เพราะจะต้องฟันฝ่ากับอุปสรรคต่างๆนานาต้องแข่งขันกับคนอื่นเพราะต้องการความสุขแบบเดียวกันแล้วก็อาจจะต้องไปมีปัญหาต่อกันเมื่อเกิดการแข่งขันกันขึ้นมา ก็อาจจะเกิดความเกลียดชังกันขึ้นมาถ้าเขาได้ในสิ่งที่เราอยากได้เราก็จะโกรธจะเกลียดเขาถ้าเราได้ในสิ่งที่เขาอยากได้เขาก็จะโกรธจะเกลียดเราก็จะกลายเป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปได้แทนที่จะมีความสุขกับจะต้องมีความทุกข์ที่เกิดจากการมีเวรมีกรรมต่อกันนี่เป็นการหาความสุขที่ผิดทางเป็นความ หลงเรียกว่ามิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบเห็นความทุกข์เป็นความสุขเห็นกงจักษเป็นดอกบัวทางวิธีที่จะถูกต้องวิธีหาความสุขที่ถูกต้องก็ต้องทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนก็คือให้ทาบุญที่เกิดจากการให้ทานให้ทาบุญที่เกิดจากการรักษาศีลให้ทำบุญที่เกิด จ, จ, จากการเจริญสติ ให้ทำบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิจนใจสงบให้ทำบุญที่เกิดจากการมีปัญญามีความเห็นที่ถูกต้องว่าไม่มีความสุขอันใดในโลกนี้จะสุขเท่ากับความสงบที่มีอยู่ภายในใจของเหล่านี้ดังนั้นขอให้พวกเราพยายามสร้างความสุขที่เกิดจากความสงบภายในใจของเรานี้ให้ได้เถิดและรับรองได้ว่าเราจะ สามารถตัดกิเลศตัณหาทุกอย่างให้หมดไปจากเราได้เราจะสามารถออกบวดได้อยู่ตามลำพังได้และเราจะมีความสุขยิ่งกว่าที่เราเคยมีมาอย่างแน่นอนดังที่พระพุทธเจ้าได้ท่งบำเพ็ญมาเป็นตัวอย่างแล้วพระพุทธเจ้าก็เคยอยู่เหมือนพวกเราอยู่ท่ามกลางความสุขของราบยศสรรเสริญ ของรูปเสียงกลิธธ่นรสปวดทพะแต่ทรงเห็นว่ามันไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงมันเป็นความทุกข์มากกว่าความสุขพระองค์จึงทรงสละพระราชสมบัติแล้วสเสด็จออกไปทรงสิงปฏิบัติ ธ, ธรรมอยู่ในป่าจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้บรรลุถึงพระนิพพานบาลมังสุขขันธคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ ที่เกิดจากการภาวนาทำจิตใจให้สงบนี้เองพวกเราถ้าปฏิบัติตามพวกเราก็จะได้รับผลอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรับเช่นเดียวกันจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญเพื่อให้อาหารแก่จิตใจเพื่อสร้างความสุขให้แก่จิตใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติ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 แควก้าวปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเธอ